ตั้งแต่นั้นมาแม้ใครจะว่าเป็นบุตรหญิงไม้พระกุมารก็ไม่ส่งเกลี้ยงส่งพยายามศึกษาหาความรู้จนเมื่อมีพระชนได้16ปีเป็นผู้ทรงพระรูปโฉมอันอุดมรอบรู้ไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้งปวงพระองค์ทรงคิดว่าเราจะเอาราตสมบัติของบิดาจึงได้ทูลพระมารดาเพื่อขอทุนเพื่อนำไปเป็นการค้าขายให้เกิดทรั์ขึ้นแล้วจะเอาราตสมบัติกลับคืนมาให้ได้ ฝ่ายประมานดาตรัสว่าเรามีของสาคัญอยู่สามอย่างคือแก้วมณีแก้ววิเชียนและแก้วมุกดาแต่และอย่างพอจะเป็นกําลังเอาราสมบัติได้ลูกจงรับแก้วทั้งสามนั้นแล้วคิดอ่านเอาราสมบัติเถิดอย่าได้ค้าขายเลยรากุมารทูลว่าขอประมานดาจมประทานทรัพย์กึ่งหนึ่งหม่อมชันจะไปค้าขายที่สวรณภูมิ แล้วนำซั์เป็นอันมากจะได้นำมาเป็นทุนสำหรับนาราสษติกลับคืนมาให้ได้ทุนดังนี้แล้วก็ให้ประมานดาประธานซั์กึ่งหนึ่งจำหน่ายออกเป็นสินค้าแล้วให้ขนขึ้นเรือแล้วกลับมาทูลาประมานดาแล้วออกเรือมุ่งไปสู่สุวรรณภูมิมีพวกพานิชเจ0 0รคนร่วมเดินทางไปด้วย ก็ในวันนั้นเองพระเจ้าปลชนกก็ประทวนหนักจนไม่อาจลุกจากที่บรรทมได้ วันที่7เรือได้ปเผชิญกับคลื่นอันร้ายกาจแล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้แผ่นกระดานก็ได้แตกด้วยกำลังของคลื่นเรือจึงได้จมลงในมหาสมุทรมหาชนกลัวมรณะภัยจึงได้พากันร้องไห้คร่ำครวญกราบไหว้เทวดาทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวญไม่ได้ไหว้เทวดาทั้งหลาย พระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจมส่งครุกน้ำตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มท้องแล้วส่งชุกผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มส่งนุ่งให้มั่นแล้วประทับยืนเกาะเสากระโดงเรือขึ้นย่อดเสากระโดงในเวลาที่เรือ จ, จมมหาชนก็ตกเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าน้ำในทะเลโดยรอบมีสีเหมือนด่งโลหิตพระบพธิสัตว์ประทับยืนที่เสากระโดง แล้วทรงกำหนดทิศ ท, ทางแห่งเมืองมิถิลาแล้วจึงกระโดดจากยอดเสากระโดงล่วงพลฝูงปลาและเต่าไปได้เพราะพระองค์มีพละงกำลังมากพระเจ้าปรชนกก็ได้สวรรคตในวันนั้นเหมือนกัน เดิมตั้งแต่วันนั้นพระโพธิสัตว์ทรงใช้กําลังพยายามว่ายข้ามมหาสมุทรพระองค์ทรงภาพเพียรว่ายข้ามมหาสมุทรอยู่ถึงเจ็ดวันเหมือนว่ายข้ามวันเดียวพระองค์ทรงสังเกตว่าเวลานั้นเป็นวันอุโบสถจึงทรงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ําเข้มแล้วทรงสมาทานอุโบสถศีลก็ในการนั้นเทพธิดาชื่อมณีเมขลา มีหน้าที่ดูแลรักษ า, มาหมาสมุทรคอยช่วยเหลือคนดีมีคุณธรรมซึ่งไม่สมควรตายในมาหมาสมุทรนางมณีแม่ขลาม่ได้ตรวจตร า, มาหมาสมุทรอยู่เป็นเวลาเจวันเล่ากันว่านางมัวเพลิดเพลินสวยทิพยสมบัติจนลืมตรวจตราบางอาจารย์กล่าวว่านางแทพธิดามัวไปแท้สมาคมเสียเมื่อ น, นางตรวจดูก็เห็นพระโพธิสัตว์จึงได้คิดว่า ถ้ามหาชนกุมารตายในมหาสมุทรเราจะไม่ได้เข้าเทวสมาคมเป็นแน่คิดดังนี้แล้วจึงตกแต่งเซ ร, ระสถิตยอยู่ในอากาศไม่ไกลาจากพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวต่อไปว่านี่ใครเล่าเมื่อแลไม่เห็นฝั่งมหาสมุรก็อุตสาหาพยายามแวกว่าอยู่ท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงพยายามว่าอยู่อย่างนี้ ระโบธิสัตว์และไปในอากาศทอบแรเนตเห็นนางมณีเมขขาจึงตรัสว่าดูก่อนเทวดาเราได้ไตรตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอ น, นิสง์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามไหวอยู่ในท่ามกลางหมหาสมุทรนี้ฝั่งมหาสมุทรไกลจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏแก่ท่าน ความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เป่าประโยชน์ท่านไม่ถึงฝั่งก็จักตายท่านพูดอะไรอย่างนั้นบุคคลเมื่อกระทำความเพียรแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้คือไม่ถูกตีเตียนในระหว่างบูญาตเทวดาและบิดามารดาอันหนึ่งบุคคลเมื่อทํากิจอย่างลูกผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง งานอันใดยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามการงานนั้นก็ไร้ผลมีความลําบากเกิดขึ้นการทําความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใดจนความตายปรากฏขึ้นความพยายามในฐานะอันไม่สมควรนั้นจะมีประโยชน์อะไรผู้ใดละความเพียรผู้นั้นก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียดคร้านดูก่อนเทวดาท่านก็เห็นผลแห่งกรรม พระจักแก่ตนแล้วไม่ใช่ดอกรือคนอื่นๆก็จมลงในหมหาสมุทรหมดเพราะไม่กระทำความเพียรเราคนเดียวเท่านั้นยังว่ายข้ามอยู่เราไม่เคยเห็นเทวดาโดยอตัตภาพนี้เลยบัดเนี้ยเราได้เห็นท่านมาสถิตยอยู่ใกล้ๆเรานั้นจะพยายามตามสติกำลังแห่งเราจะทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร ลำดับนั้นเทวดาได้สดับประวาตจาอัน ม, มั่นคงขอ ง, ของพระบรมศาสด์แล้วจึงกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่าท่านผู้ใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมไม่จมลงในห้วงมหันโนบซึ่งประมาณไม่ได้ถึงปานนี้ด้วยความเพียรของบุรุษใจของท่านยินดีในสถานที่ใดท่านจงไปในสถานที่นั้นเถิด ลำดับนั้นนามณีเมฆขลาก็นำพระโพธิสัตว์มาถึงมิถิลานครให้บันทมโดยตะแคงข้างขวาบนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลในสวนมะม่วงแล้วกลับสู่ที่อยู่แห่งตนในการนั้นพระเจ้าโรลชนก ไม่มีพระโอรสมีแต่พระราธิดาองค์หนึ่งพระนามว่าศีวลีเทวีเป็นหญิงฉลาดเฉียบแหลมก่อนเสด็จสอนคตพระราชาได้ตรัสสั่งพวกอมาต์เอาไว้ว่าเ อ, อ่อท่านทั้งหลายจงบอบราชสมบัติให้แก่ท่านที่สามารถยังศีวลีเทวีให้ยินดีได้เออหรือว่าผู้ใดรู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือผู้ใดอาจยก สหัสถามธนุขึ้นได้หรือผู้ใดอาจนำขุนทรัพย์ใหญ่16แห่งออกมาได้ก็ขอให้หมอบราชสมบัตินี้แก่บุคคลนั้นด้วยเถิดและพระราชาได้ตรัสบอกปัญหาแห่งขุมทรัพย์แก่พวกอำมาตย์เอาไว้ด้วยเมื่อถวายพระเพริงพระบรมศพพระเจ้าปุโรชนกแล้วพวกอำมาตย์ได้ปรึกษากันว่าเสนาบดีอาจจะยังให พระราธิดายินดีได้จึงได้แจ้งข่าวให้เสนาบดีทราบเสนาบดีรีบไปสู่ประตูพระราชวังเพื่อต้องการราชสมบัติและได้ทูลความที่ตนมาแต่พระราธิดาพระราธิดาหวังจะทรงทดลองปัญญาของพวกเสนาบดีจึงได้รับสั่งว่าจงมาโดยเร็วเสนาบดีนั้นหวังจะให้พระราธิดาโปรดปรานจึงได้รีบวิ่งไปโดยเร็ว แล้วยืนอยู่ใกล้พระราธิดาพระราธิดาจึงได้ตรัสต่อไปว่าจงวิ่งไปโดยเร็วในพระตำหนักเสนาบดีก็ทําตามพระราธิดาจึงสั่งต่อไปว่าจงมาอีกเสนาบดีก็วิ่งมาโดยเร็วอีกพระราธิดาทรงทราบว่าเสนาบดีนั้นหาปัญญาไม่ได้จึงตรัสต่อไปว่าจงมานวดเท้าของเรา เสนาบดีนั้นก็ได้นั่งลงนวดประบาทของพระราธิดาเพื่อให้ทรงโปรดปรานก็ในลำดับนั้นพระราธิดาจึงได้ถีบเสนาบดีที่อกให้ล้มงายแล้วสั่งพวกนางข้าหลวงให้ทุบตีและขับไร่บุตรผู้นี้ออกไปเสียแม้คนอื่นอีกหลายคนก็ได้รับความอับอายเช่นเดียวกับเสนาบดี ผู้ไร้ปัญญาแม้ในเรื่องของสหัสสถามันูหัว น, นอนแห่งบันลังสี่เหลี่ยมและกลุ่มทรัพย์ทั้ง16ก็ไม่มีผู้ใดสามารถเช่นกันอุโรหิต จ, จึงเสนอให้ปล่อยพุสรถหรือรถเทียมมาที่ทำด้วยดอกไม้เพราะพระราชาที่เชิญเสด็จมาได้ด้วยพุสรถนั้น เป็นผู้ที่สามารถจะครองราชสมบัติในชมพูทวีปได้ทั้งสิ้นคนทั้งหลายต่างก็เห็นชอบเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วโพรหิตก็ได้ปล่อยราชรถราชรถก็แล่นไปตามถนนใหญ่โตโดยเร็วเลยแล่นเคหสถานของชนทั้งหลายออกจากพระนครบ่ายหน้าตรงไปเข้าสู่อุทยานทําประทักษิ์ แผ่นศิลามงคลที่พระโพธิสัตว์บรรทมแล้วรถนั้นก็ได้หยุดอยู่โรหิตกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาสมควรแก่เสวตฉัตรจะไม่ลุกขึ้นจะไม่แลดูแต่หากเป็นคนกาลกินีก็จะตกใจกลัวแล้วหนีไปท่านทั้งหลายจงประโคมด น, นตรีขึ้นทั้งหมดโดยเร็วพันเดียวนี้เลย ณ น, นั้นเสียงดนตรีได้ดังกึกก้องขึ้นพระโพธิสัตว์ตืมบรรทมด้วยเสียงนั้นเปิดพระเศียรทอดพระเนตรเห็นมหาชนทรงจินตนาการว่าสเสวตฉัดมาถึงเราแล้วจึงก็ได้คลุมพระเศียรเสียอีกแล้วพลิกพระองค์บัรทมข้างซ้ายเมื่อดนตรีประคมขึ้นอีกครั้งพระโพธิสัตว์ทรงเปิดพระพักเสียแล้วพลิกพระองค์บรรทมข้างขวาทอดพระเนตรมหาชน โรหิตธประคองอัญชลีก้มหน้ากราบทูลพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเออขอทันใดโปรดเสด็จลุกขึ้นเถิดราชสมบัติมาถึงพระองค์แล้วพระราชาของพวกท่านน่ะเสด็จไปไหนเล่าเออเสด็จสวรรคตแล้วพระเจ้าข่าและพระราชรถหรือพระราชพาดาของพระราชานั้นไม่มีหรือไม่มีพระเจ้าข่ามีแต่พระราธิดาองค์หนึ่งถ้าอย่างนั้นเราจะทวงราชสมบัติเอง ระดังนี้แล้วจึงได้เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งณแผ่นศิลามงคลมหาชนก็ได้ถวายอภิเษกพระโพธิสัตว์ณสถานที่นั้นพระโพธิสัตวทรงได้ประนามว่าพระเจ้ามหาชนกราชแล้วพระราชาเสด็จขึ้นสู่ราชรถเข้าสู่พระนครแล้วเสด็จไปยังพระราชนิเวศ เมื่อพระราชาเสด็จไปยังพระนาชัิดิเวศแล้วพระราชดาทรงต้องการทดสอบพระราชาจึงตรัสสั่งราชบุรุษคนหนึ่งไปทูลพระราชาว่าราชบุรุษเจ้าจงไปทูลพระราชาเสด็จมาหาเราเดี๋ยวนี้พระนางเสวรีรับสั่งให้รีบเสด็จไปเฝ้าราชบุรุษก็ไปกราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาสดับแล้วไม่ทรงสนพระไทยในวาจานั้น เหมือนคนไม่สนใจต้นหญ้าเมื่อราบุรุษกลับมากราบทูลพระราธิดาทรงคิดอยู่ในใจว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่เป็นผู้หนักแน่นจิตใจมั่นคงดีและวส่งราบุรุษเชิญเสร็จอีกถึงสองครั้งสามครั้งพระราชาก็เสด็จไปตามความพอพระทัยของพระองค์เองเมื่อเสด็จใกล้เข้ามา พระนางไม่อาจดํารงพระองค์อยู่ได้จึงเสด็จมาถวายให้เกี่ยวพระกรรราชาทรงรับเกี่ยวพระกรรราชธิดาแล้วขึ้นยังพระที่นั่งประทับณราชบัลลังก์ใต้พระมหาเสวตฉัตรตรัสถามพวกอํามสาธว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านจะเสด็จสวรรคตแต่ตรัสสั่งอะไรไว้บ้างอํามสาธได้กราบทูลว่า พระราชาของข้าพระองค์ได้ตรัสสั่งไว้ดังนี้หนึ่งให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่ทำให้พระราธิดาพระนางเาสววลีโปรดปรานได้พระนางเสววลีราธิดาก็ได้มาถวายให้เกียรติพระก ร, กรกับเราแล้วก็เป็นอันว่าเราได้ให้พระราธิดาโปรดปรานแล้วท่านจงกล่าวข้ออื่นต่อไปเถิดขอให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่สามารถ ทราบหัวนอนแห่งบัลลังก์เสี่ยเลียมว่าอยู่ด้านไหนพระราชาดําริว่าเอ๋ข้อเนี้ยรู้ได้ยากนะแต่อาจจะรู้ได้ด้วยอุบายแล้วจึงทรงถอดเข็มทองคําบนพระเสียรประธานที่พระหัตถ์พระนางเสวลีและรับสั่งว่านี่น่ะเธอเธอจงวางเข็มทองคํานี้พระนางเสวลีทรงรับเข็มทองคําและนําไปวางไว้เบื้องหัวนอนแห่งบัลลังก์นั้นพระราชา ทรงทราบทันทีว่าข้างนี้เป็นหัวนอนแล้วทําเป็นยังไม่ได้ยินถ่อยคํานั้นแซงถามพวกครามว่าพวกท่านเห็นว่าไงขั้นหมู่อมมาศกราบทูลซ้ําให้ทรงทราบแล้วจึงรับสั่งมาเห็นไหมละ่ะการรู้จากหัวนอนบันลังสี่เหลี่ยมไม่น่าอัศจรรย์ด้านนี้เป็นหัวนอนท่านทั้งหลายขอจงกล่าวข้ออื่นต่อไปเถิดเออพระราชาบอกให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ยก สหัสถามนันูอันมีน้ำหนักแรงพันคนยกถ้าหาใครยกขึ้นได้บุคคลนั้นก็สมควรรับราชบัลลังก์พระราชาตรัสสั่งให้นำธนูนั้นมาแล้วพระองค์ทรงยกธนูนั้นขึ้นทั้งที่ประทับณนะราชบัลลังก์นั้นเองแล้วทรงโปรโดให้เล่าข้ออื่นต่อไป พระราชาของพวกเราได้ตรัสว่าให้มอบราชสมบัติแก่ผู้นำขุนทรัพย์16แห่งให้ปรากฏพยาค่ะปัญหาอะไรๆเกี่ยวกับขุมทรัพย์นั้นเน่ยเป็นอย่างไรเล่าเออก็เป็นขุนทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกเป็นต้นพยาค่ะพอได้สดับดังนั้นแล้วพระราชาทรงทราบเนื้อความอย่างกระจายแจ้งจึงตรัสว่าเอาละพวกท่านทั้งหลาย วันเนี้ยหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เราจะชี้คุมทรัพย์ในที่เนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันรุ่งขึ้นพระราชาให้ประชุมอมารษแล้วตรัสถามว่า พระราชาของพวกท่านนี่มวลพระปัจเจกพุทธเจ้าให้มาฉันบ้านหรือไม่เออมีพยาคาพระราชาทรงมีําริว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีคุณดุดดวงอาทิตย์คุณทรัพย์คงไม่อยู่ในที่ซึ่งพระเจ้าโพราชนกเสด็จต้อนรับและส่งพระปัจเ จ, พจกพุทธเจ้าเป็นแน่เอาละอำมาตและพวกท่านทั้งหลายขอให้ขุดณสถานที่สองแห่งนี้คือ ที่ที่พระโ บ, บรชนกรับพ ร, ร ะ, พระรรประเจกุทธเจ้าและส่งพระประเจกุทธเจ้าแล้วท่านก็จะพบขุนทรัพย์ทั้งสองนี้อย่างแน่นอนเม <im> ื่ออมาดได้สั่งให้ทหารขุดสถานที่สองแห่งนั้นก็ได้พบขุนทรัพย์ทั้งสองแม้ในขุมทรัพย์อื่นๆที่เหลือก็ถูกนำออกมาเช่นเดียวกัน มหาชนพากันร่าเริงยินดีในพระปรีชาสามารถของพระราชาจากนั้นพระราชาได้โปรดให้สร้างโรงทานเพื่อบริจากทรัพย์แก่คนจนโปรดให้เชิญพระมานดาและพรามมาแต่การจำปากะนครแล้วทรงกระทำสการะสมโพธ์เป็นการใหญ่ เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วประทับะพระราชอาาภายใต้มหาเสวตฉัตรทรงทอดพระเนตรเห็นเิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ก็ทรงอนุสอ์ถึงความพยายามที่พระองค์ทรงทําในมหาสมุทรทรงตํตริว่าชื่อว่าความเพียรควรทําแท้ถ้าเราไม่ทําความเพียรในมหาสมุทรเราจะไม่ได้สมบัตินี้ตํตริแล้วเกิดประปิติโสมนัส ทราบซ่านแล้วทรงเปล่งพระอุทานความว่าบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตัวท่านขึ้นจากน้ำสู่บกและได้เป็นพระราชาสมปรารถนาบุุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไปไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตัวท่านขึ้นจากน้ำสู่บกและได้เป็นพระราชาสมปรารถนา ผู้มีปัญญาแม้ใกล้ถึงทุกข์แล้วก็ไม่พึงตัดความหวังที่จะถึงความสุขจริงอยู่คนเป็นอันมากถูกทุกข์กระทบกระทั่งทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ถูกสุขกระทบกระทั่งก็ทำสิ่งที่มีประโยชน์คนเหล่านั้นไม่ตรึกนึกถึงข้อความนี้ จึงถึงความตายสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้จะมีก็ได้สิ่งที่คิดไว้จะพินาศก็ได้โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตามของชายก็ตามมิได้สำเร็จด้วยเพียงความคิดเท่านั้นควรทำด้วยความเพียรทีเดียว ตั้งแต่นั้นมาพระบริษัททรงบำเพ็ญทศพิษราชธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมและในบ้านปลายแห่งพระชนมายุทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นบรรพชิตเสด็จเข้าป่าหิมวันทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นในที่สุดแห่งพระชนมายุได้เข้าถึงพรหมโลก เรื่องนี้นำมาจากมหาชนกชาดกและอัตกถามหานิบาทชาดกเรื่องนี้ให้ข้อคิดดังต่อไปนี้การหวังขอความช่วยเหลือจากคนอื่นย่อมหวังได้ยาก ดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้ทุกคนพึ่งตนเองดังพุทธเดารับว่าตนแหลเป็นที่พึ่งแห่งตนไข่เล่าจะเป็นที่พึ่งให้ได้พวกที่ตกน้าไม่ไหว้น้ำมักไหว้เทวดาไม่พยายามหาทางช่วยตัวเองในที่สุดก็ตายหมดคนที่พึ่งตนเองพยายามหาทางช่วยตนเองอย่างเต็มที่ผลสุดท้ายก็รอดตาย 2. แก่นจันไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนก็ไม่ละทิ้งกลิ่นหอมชั้นใดคนดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ละทิ้งธรรมดังนั้นด้วยเหตุนี้แม้จะอยู่ในมหาสมุทรพระวสิตว์ก็ไม่ละทิ้งการกาาการักษาศีล 3. การรักษาศีลนั้นสามารถทำได้ตลอด ไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่และไม่จําเป็นต้องรับศีลจากพระสงฆ์เสมอไปจะสมาทานหรืออธิษฐานด้วยตนเองก็ได้เช่นอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าเพียงแค่นี้ก็มีศีลห้าแล้วถ้าศีลขาดก็อธิษฐานใหม่ได้เสมอ4 ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่หวังไว้อาจไม่เป็นตามที่หวังสิ่งที่คาดไม่ถึงก็อาจจะเกิดขึ้นได้จึงไม่ควรจะดีใจเกินไปเมื่อสมหวังและไม่ต้องเสียใจเกินไปเมื่อผิดหวัง สุภาษิตผิดเป็นครูรู้กันทั่วจงอย่ากลัวเมื่อตัวผิดคิดแก้ไขพลาดอีกทีไม่มีท้อสู้ต่อไปแม้ไม่ได้ดังใจปองล้องอีกทีจนความมืดมองมัวไม่กลัวจากท่านธรรมวัโตภิขุ เมื่อชีวิตไม่สิ้นสุดอย่าหยุดหวังเมื่อกำลังยังมีอย่าหนีหน้าจงบากบันฝ่าฟันด้วยปัญญาจวบจนกว่าความหวังสมดังใจอหอใหใ้จไม่สิหวังจากท่านธรมะะรมวัโตภิกขุกก ยยหุดการทำดีถูกดีนั้นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหันการทำดีถูกคนผลอนันการทำดีด้วยความหมั่นนั่นแหละดี คนค้านเรียนเรียนที่ไหนก็ไม่รู้คนค้านดูดูที่ไหนก็ไม่เห็นคนค้านทำทำที่ไหนก็ไม่เป็นคนลาเค็ญเพราะขี้ค้านไม่หมั่นเรียนคนหมั่นเรียนขอรับรองจะต้องรู้คนหมั่นดูขอรับรองจะต้องเห็นคนหมั่นทำขอรับรองจะต้องเป็นคนดีเด่นด้วยหมั่นเรียนเพียรทำดี ใหใจไม่สิ้นหวังจากบทคำกรรของพระธรรมโกษาจารย์ก็คงไม่เกินกำลังอย่าหยุดยั้งก้าวไปขออย่ายอมแพ้สือธรรมะสร้างสรรพุทธศาสนาและสังคมโดยสนทิชัยทวิโชคทรัพย์สิน ขอขอบพระคุณท่านธรรมะวะโทภิกขุแห่งวัดโสมรัฐวิหารกรุงเทพมหานครและบทความทีละเล็กทีละ น, น้อยโดยชัยวัดจากหนังสือชีวิตงามวัดชลประธานรังสลิที่ได้เอื้อเฟื้อบทความที่น่าสนใจเหล่านี้ oh, yeah, ท่านที่สนใจที่จะจัดทำเทพที่ระลึกในงานต่างๆ ต, ติดต่อได้ที่ สนทิชชัยทวีโชคทรัพย์สินโทรศัพท02์027424120หรือที่ตู้ปอน567พระโขนงกรุงเทพ10110โปรดติดตามผลงานเทพธรรมะที่น่าสนใจต่อไปได้สวัสดีครับ